พราะว่าฝนตก <c oughs> เวลาฝนตกนี่ถ้าหากว่าไปตกกลางทะเลไม่มีใครก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามาตกในบ้านในเมืองแล้ว <c oughs> ลคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบคนเดินทางก็ไม่ชอบคนที่ร้อนพอฝนตกก็ชอบ <c oughs> ถ้าหากว่าการ ที่จะเอาใจคนใดคนหนึ่งเนี่ยคงสาเร็จไม่ได้มันก็ต้องเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์อันนี่ความถูกต้องนั่นมันไปถูกคนหนึ่งมันก็ไปผิดอีกคนหนึ่งในที่สุดความถูกต้องก็เลยกลายเป็นความไม่ถูกต้อง <c oughs> ที่เคยเล่าให้ฟังว่าคนที่พ่อลูกไป ตือลา <c oughs> ถ้าหากว่ามีคนถามว่ากลงดีหรือคดดีไอ้คนหนึ่งก็บอกว่ากลงดีไอ้คนหนึ่งก็บอกว่าคดดีห <c oughs> รวมพ่อก็เลยเอาข้างไหนอ่ะเอาข้างคด <c oughs> คดดีเพราะว่ากลงไม่ดีมันไม่ดีตรงไหน รองพ่อก็บอกว่าไอตอนที่เราจะไปเชียงใหม่อ่ะขึ้นวิ่งรถไปอ่ะไตอนที่จะข้ามจากลีไปเถินหรือว่าเถินไปลีเนี่ย <c oughs> ถนนมันก็คดไปอย่างเงี้ยคดไปคดมาถ้าหากว่าใครลองวิ่งกครงดูสักหน่อยได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะตกเหวแล้วทำไงอ่ะก็ต้องวิ่งคดเนี่เดียคดดีไปนหนึ่งเลยน ะ, <c oughs> วะเวลาที่เรือเขาจะวิ่งมาจากทะเล е เข้าอ่าวไทยแล้วก็วิ่งมาตามลำน้ำเจ้าพญาเพื่อที่จะมาท่ายมาราชในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงอ่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าแกวิ่งกรลงๆหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะพราอะไรเพราะว่าไปชนฝั่งสองแล้วคดดีไปสองแล้วทีนี้คนบางคนเขาบอกว่าถ้าหากว่าคดก็ดีกรงก็ดีแต่ว่าให้มันถูกทางอย่างที่ว่าเมื่อคลองคดก็ต้องคดตามคลอง เมื่อคลองกองก็ต้องกองตามครองคือหมายความว่าให้มันไปในทางที่ปลอดภัยปลอดภัยถือว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวล า, าที่ไปบ้านเขาเมืองเขาเขาทำอะไรก็ต้องทำตามเขาทำไม่ทำตามเขาถือว่าเรากลงตัวยกตัวอย่างเช่น มีวินัยข้อหนึ่งว่าใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านปรับอาบัตทุกกฎพระก็ปรับอาบัตไอ้ ท, กกอทีนี้เวลาบ้านนั้นอ่ะมันก็เป็นเวลาเพนเขาเนี่มนมลไปฉันเพลก็ไม่ต้องใส่รองเท้าทีนี้ตอนเพนมันก็แดดมันก็กล้ามันก็เผาคลอนกิด พันกิจนร้อนเนี่ก็ไฟเดินเข้าไปอย่างนี้ต้องขย e n พอร้อนทีนี้มีพระองค์หนึ่งเขาเคร่งฉะอยากบอกว่าใส่รองเท้าขึ้นระบินก็ไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรขึ้นระบินไม่ใส่รองเท้าไม่เป็นไรพอไปถึงอเมริกาเวลาที่ลงจากเครื่องบินจะไปเข้าแอร์พอร์ตจะไปเข้าสนามบิน ก็หลังไม่ให้เข้าทำไมไม่ให้เข้าพอเขาชี้ไปที่ทีนมันไม่มีเกือเป็น้วไม่มีเกือไปได้เนี่ยว่างั้นไปไม่ได้เดี๋ยวไฟช็อตตายละผมไม่มีเงินใช้ก็งั้นอยู่ต้องอยู่นี่อยู่ไปไม่ได้อ่ะเหนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ารองเท้าใส่กระเป๋าโหลดไปแล้วก็ ไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ต้องไปไอ้คนที่มารับก็เอ้ยพระทำไมไม่ออกสักทีเรื่องอะไรอะ่ะกว่าจะรู้สนามบินเซาเทิลมันใหญ่อะ่ะ <c oughs> แล้วเท้าทางไหนกว่าจะรู้ว่าออกมาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรองเท้ารองเท้ากระเป๋าก็เอาไปวัดซะแล้วอ่าลงไปหารองเท้ากว่าจะได้กลับมาพอดี เกือบคำไปถึงเช้าเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปไหนเนี่ยเขาก็ถือเอาความพอดีเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นความพอดีเนี่ยจึงเป็นหลักการใหญ่อันนึงที่พระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา ในการเทศพระองค์แสดงทำครั้งแรกเรียกว่าเฟอรทายครั้งแรก <c oughs> ครั้งแรกพระองค์แสดงถึงอมัชชิมาปฏิปทาเรียกว่าขนทางสายกลางามัชชิมาปฏิปทานั่นคือเทศกันแรกที่พระพุทธเจ้าได้เปิดเผย ธรรมะออกมาเป็นครั้งแรกคือมัชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติผลนทางสายกลางท <c oughs> ีนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเมดเด่นเมดเดนเวย์ก็หมายความว่าเดินทางสายกลางการเดินทางสายกลางนั้นให้แปลสมัยเพราะหลวงพ่อไปได้ฟังหลวงปู่มั่นท่านแปลให้ฟัง องค์ทุกคนทุกคนเนี่ยก็มาชิมาประวัติทางสายกลางมาชิมาประวัติทางสายกลางมาชิมาประวัติทางสายกลางไม่ว่าองคไหนองนั้นแปลสายกลางหมดพอไปถึงหลวงปู่มัน่นท่านแปลว่าขนทางพอดีไม่ได้แปลขนทางสายกลางขนทางพอดีแหมเราเพิ่งได้ฟังคํานี้เป็นคําแรกจับใจที่สุดจํามาจนฝันนี่ ข่าวนั้นที่ไปฟังยังจำได้ว่าพอศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่มาถึงความพอดีก็หมายความว่าถ้าหากว่าทำไม่พอดีนี่ไม่สำเร็จจริงๆต้องทำพอดีแทนก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีข้าวตั้งเท่าไหร่เนี่ยมีข้าวต้งยุงต้องฉางแล้วเอาใส่ปากเราเนี่ยมันต้องพอดีคา ถ้ไม่พอดีเข้าไม่ได้ฉันว่าอย่างนั้นนี่ก็จริงของท่านเหมือนกันกับผ้าเสื้อของเราอย่างเงี้ยมันหลวมสายไปมันก็หลุดหมดมันคับดันมันก็ขาดเกี่ยงอย่างเนี้ย <c oughs> หรือว่าหลอดไฟอะไรต่างๆเหล่านี้เขาทํำมาไว้แค่นี้ยเราทําส้ใหญ่ก็ใส่เข้าไม่ได้ มันสายเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันพอดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความพอดีนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าสำเร็จประโยชน์ถ้าสำเร็จประโยชน์ได้ก็ถือว่าเป็นความพอดีเพราะฉะนั้นไอ้ไอเรื่องที่มันเกิดความไม่พอดีเกิดขึ้นมันจึงมาออถึงข้อที่ห้า เรีว่าความรังเลสงสัยความสงสัยเนี่ยมันามาจากสิ่งที่จิตใจเนี่ยหักกติมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาหมายความว่าโทสากติโมหากติพยากติฉันทากติอะไรก็ว่าไปถ้าคนเรา มีอัคติแล้วทีนี้ก็เกิดเรื่องเรื่องเกิดขึ้นเป็นแน่นอนอย่างใครเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยก็รู้แ ล, แล้วว่าลูกก็ต้องรักอย่าให้มันมีอัคติเพราะอัคติก็เกิดเรื่องแน่อย่างหลวงพ่อสอนสมาธิก็เหมือนกันถือสอนไปด้วยความอคติรักคนนี้ชังคนเนี้เกิดเรื่องแน่ <c oughs> เขาก็สงสัยว่าหลวงพ่อนี่ไปชอบใครไอ้สงสัยเนี่ยมันสงสัยได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องเวลาที่เราจะทำสมาธิทำให้จิตมันสงบเนี่ยถ้าหากว่ามันสงบได้หมายความว่าจิตเนี่ยไม่มีอากติแล้วถ้าจิตยังมีอากติอยู่เนี่ย จิตจะเข้ามาที่พุโทโธไม่ได้แล้วก็จิตจะเข้ามาตั้งเป็นสมาธิไม่ได้เพราะว่าใจของคนเราเนี่ยมันจะมีอารมณ์อารมณ์นั้นมันจะไปทางรักถ้าไม่รักมันก็ชังถ้าไม่ชังมันก็รักถ้าไม่ชอบมันก็เกลียดถ้าไม่เกลียดมันก็ชอบอารมณ์ของเราจะอยู่ตรงกลาง ไม่ได้อยู่ได้ก็ตอนตอนนอนหลับ <c oughs> แต่ทีนี้เมื่อเราต้องการสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องละพวกมัคติพวกนี้ออกไปให้เหลือความมีพุทโธอันเดียวเพราะฉะนั้น อ, อ, อย่างที่ว่าการทำสมาธินี่ถ้าเกิดความสงสัยว่า อาจารย์เนี่ยแน่หรือเปล่าแนะนําถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์เนี่ยเอไปโมเมอะไรต่ออะไรเอามาพูดอย่างนี้อันนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นใจนั้นก็มันเกิดอัตติแล้วทีนี้ยไม่สามารถที่จะเชื่อเวลาแนะนําได้ เพรานันความเป็นไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาบ้านเรือนตลอดผู้คนย่อมจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่จิตใจเมื่อทาขึ้นมาบางครั้งก็ทำดีบางครั้งก็ไม่ดีมันก็จิตดวงเดียวกันการทำก็เหมือนกันทำไมมันจึงเป็นขึ้นมาไม่เหมือนกัน ดีบ้างไม่ดีบ้างทำให้เกิดความสนแทกขึ้นมาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องต่อต้านสมาธิชนิดหนึ่งคือความลังเลสงสัยเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ว่า เ, เป็นเครื่องที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยดาเนินจิตใจไปโดยสะดวกเพราะเหตุที่ว่า การทำสมาธินี่มันต้องปราศจากอคติมันถึงจะเข้ามาเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นเมื่ อ, อ, อจิตใจของเราไม่แน่คือไม่แน่นอนดังที่กล่าวถึงความไม่แน่ใจเปรียบเทียบเข้นเขาห่อของขวัญชั้นดีมาให้เราแล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างในมันคืออะไร เมื่อไม่รู้ก็อยากจะรู้เมื่ออยากจะรู้ก็ต้องเปิดหอออกมาถ้าไม่เปิดก็ไม่หายสงสัยแต่เจ้าของอาจจะบอกว่าข้างในคือจะเป็นเพชรเม็ดหนึ่งก็ได้หรืออยากจะเป็นในทองคาก็ได้หรือว่าจะเป็นนอกจากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ได้ เขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถ้าเปิดหอออกมาแล้วก็ร้องอ้อหมดความสงสัยแบบเดียวกันกับที่ว่าเมื่อคิดว่าเราจะทำสมาธิต้องการที่จะให้จิตสงบและเราก็ยังไม่เข้าใจว่าการทำสมาธินี่จุดมุ่งหมายอะไรเมื่อไม่เข้าใจอย่างนั้น ก็มาได้ฟังคำของอาจารย์บอกว่าการทําสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่พลังจิตแล้วพลังจิตนั้นอ่ะมันมีความหมายอย่างไรเราก็ได้อธิบายกันมาแล้วในที่สุดเมื่อได้รับฟังคําอธิบายแล้วก็หมดเรียกว่าแก้ความสงสัยได้ เมื่อแก้วความสงสัยได้เราก็เกิดศรัทธามีความเชื่อที่จะปฏิบัติตามนั้นต่อไป <c oughs> บางทีกล่องนั้นผนึกมาอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งกลไกสลับซับซ้อนเพื่อหายสงสัยก็จำเป็นจะต้องแก้ห่อด้วยความสามารถมันก็ไม่ง่ายนักโดยเจ้าพระในหอนั้นอาจจะเขียนวิธีเปิดเอาไว้ด้วย เช่นเดียวกันกับสมาธิได้ถูกปกปิดไว้จนต้องสงสัยหาทางไ ข, ข้คว้ากว่าจะทราบวิธีการแต่เมื่อได้มีผู้สอนทำตามเกิดสมาธิขึ้นมีความสบายก็เท่ากับเปิดกล่องหายสงสัยไประดับหนึ่งในขั้นแรกเรายังไม่รู้อะไร แต่พอเวลาที่แนะนำก็เอาความเชื่อเชื่อไว้ก่อนแต่ในที่สุดเมื่อทำสมาธิเกิดความสบายขึ้นความสงสัยจุดนี้มันจะหายไปก็าเรียกว่าหายไปในระดับหนึ่งเท่านั้น <c oughs> ทีนี้มาถึงคำว่าวาสีที่ว่าเป็นเบื้องต้นของสมาธิ มีอยู่ในตัวของตอนแล้วแท้และจำต้องทำให้เกิดขึ้นแก่ตนโดยเฉพาะอันเป็นสิ่งที่สำคัญของสมาธิจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปมตรงนี้ให้สำเร็จเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องตัดความกลัวความสนแทกกังวลอื่นให้หมดไปความเข้าใจอันดีนั้นเป็นส่วน ของการต่อสู้ในสิ่งที่จะต่อต้านสมาธิเราต้องมีความต้องการของในหอนั้นเพราะหอนี้จะเป็นสิ่งสามารถที่จะซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้อย่างเพียงพอแต่เราจะรู้ของในหอได้อย่างไรในเมื่อเรายังแก้วหอออกมาไม่ได้ความสงสัย ก็ต้องสิ้นไปไม่ได้เมื่อเราใช้ความสามารถต่อสู้การต่อต้านนี้ได้เราก็แก้ห่อสำเร็จดูจะพบผลทางแห่งสมาธิคือวสีอนนี้วสีนั้นเราอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าคำว่าวาสีเป็นภาษาบาลีหรือเรียกว่าเป็นภาษาแขก ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความชนานาญเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาทำสมาธิเนี่ยมันจะต้องมีความชนานาญเกิดขึ้นสมมติว่าเรามาครั้งแรกเรานั่งขัดตมาดมันก็ยังไม่ชนานาญกว่าจะเข้าท่าเข้าทางแต่ต่อมาเนี่ยพอพอว่านั่งสมาธิพับ คัตมาก็พร้อมในเรียกว่าชำนาญหรือว่าในครั้งแรกเราจะเดินจงกรมมันก็ตะกุบตะกักยังไงพี่กนแต่พอเวลาที่ทำเรื่อยมาเรื่อยมาหลายครั้งเข้ามันก็เกิดความชำนาญขึ้นอย่างนี้เรียกว่าวาสีอันนี้ภายนอกพอเข้ามาถึงภายใน ที่เวลาเราจะนึกพุดพอนี่ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะตั้งไว้ที่ไหนเอตั้งไว้ที่นี่ <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกตั้งไว้ที่นั่นถูกไหมในที่สุดเราก็ตั้งได้กว่าจะตั้งได้พอตั้งได้นั้นถือว่าเป็นความชํานาญอย่างนี้เรีย ก, กว่าวาสีแล้วก็ลึกขึ้นไปกว่านั้นเมื่อเวลาที่จิตของเราเนี่ย มันสงบลงไปแล้วเป็นสมาธิมันก็ไปอยู่ที่พักมันก็จะมีที่พักจิตอยู่ที่หนึ่ ง, ง, ง, พ, ง, ง พ, พ, พ, พ, พอเวลาที่เราบริกรรมไปแล้วจิตมันก็สงบลงไปพอสงบแล้วก็ไปมีที่พักพอมีที่พักที่พักพอเวลาที่เราทำสมาธิก็ไปถึงที่พักตรงนั้นทำอีกครั้งก็ไปถึงที่พักตรงนั้น ทำอีกครั้งก็ได้ไปที่ตรงนั้นในที่สุดที่นั่นมันก็เกิดความชํานาญขึ้นในระดับหนึ่งทีนี้ในเมื่อเวลาที่เราต้องการให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราเวลาจิตที่มันเข้าผวังเอขณะที่จิตมันเข้าผวังาการเข้าผวังเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันก็เราหลับอย่างเนี้ยแต่ว่าหลับในสมาธิ ถ้าหากว่าหลับในสมาธินี่ไอ้ ก, ก่อนที่มันจะเข้าไปสู่การหลับเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมากกว่าที่คนนอนหลับเพราะว่าคนนอนหลับนั่นนะอ่ะเออมันหายไปเลยแต่ว่าอคนที่ทําสมาธิแล้วหลับทำสมาธิแล้วเข้าผวังนั่นอนะ่ะมันไม่หายไปเลยมันจะมีความรู้สึกลึกกว่า ทีนี้เมื่อหลายครั้งเราเข้าผวังครั้งที่หนึ่งเข้าผวังครั้งที่สองเข้าผวังครั้งต่อไปหลายครั้งเข้าในที่สุดก็เกิดความชำนาญไอ้ความชำนาญอันนี้ก็เรียกว่าวัตสีแล้วความไอ้ความชำนาญอันนี้แหละที่จะเป็นตัวกำจัดความสงสัยออกไปได้เราทุกคน อาจจะทราบหรือได้ผ่านมาแล้วถึงพิษของความสงสัยนี้มาพอสมควรเช่นสงสัยว่าคนนี้ด่าเราหรือเคยจ้างทำ้ายเราแต่ผู้ที่เราสงสัยกลับไม่ใช่หรือผู้ที่ซื่อสัตว์ต่อเรานา น, นานนักหนาแต่พอมีผู้มายุหย่ว่าเป็นคนไม่ดีไม่ซื่อ ยุครั้งแรกก็ไม่เชื่อแต่พอถูกยุเข้าลหลายๆครั้งก็เกิดเชื่อขึ้นเกิดความแตกแยกเสียคนดีไปก็เยอะอันนี้เรียกว่ามันเกิดความสงสัยอ่ะบางทีสงสัยแต่มันไม่ใช่เราก็ต้องมาเสียใจภายหลังก็เหมือนกันกันกบศิษย์กับอาจารย์คู่หนึ่งซึ่ง จะได้เล่าให้ฟังต่อไปคือว่ามีอาจารย์กระลูกติดโอ้ยสนิทสนมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหล ะ, <c oughs> ะแม้กันก็หลวงพ่อกรเลขาเนี่ย <c oughs> อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าพูดยางไงกันหนึ่งอันเดียวกันแน่ใจว่าสององค์นี่คงแตกกันไม่ได้ อยู่มาด้วยกันนานหนักหนาประมาณเกือบยี่สิบปีก็มีพระองค์หนึง่งเขาเป็นนักเทศเทศเก่งแต่ว่าอาจารย์กระลุกศิษย์นี่เทศไม่เป็นทีนี้องค์นั้นมาถึงเทศเก่งยอมก็ติดทีนี้พอเทศเข้ายอมก็มาถือว่าองค์เนี้ยดีหนักหนาแต่ว่าองค์นี้อาวุโสน้อยกว่า จะมาเป็นสมพานก็มาเป็นไม่ได้แต่จจงคิดว่าทำยังไงถึงจะกำจัดลูกศิษย์อาจารย์นี่ออกไปได้เราจะได้นั่งเป็นสมพานสบายว่างั้นอยู่มาวันหนึ่งเขาก็หาอุบายได้เขาก็ไปหาลูกศิษย์ก่อนบอกว่านี่อาจารย์ของแกนะเขาไม่ชอบแกหรอกเพราะว่าอาทีพแกทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ย เพราะว่าแกทําเสียไม่ได้เขาไม่ค่อยชอบแกหรอก เ, อเขาไปยุรูุษิตพ อ, อยุรูุษิตเสร็จเราก็มายุอาจารย์ต้อบอกว่าไอรุษิตที่ทํามานะเออถ้าไม่ได้เต็มใจที่จะทําให้อาจารย์ล็เอเหมอนนั่นใครดูสิพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องอว่ า, า, า, าทางฝ่ายรุษิตก็เชื่อเต็มเหนียวทางฝ่ายอาจารย์ก็เชื่อเต็มที่ เขาก็ลองดูว่าเอา้ยมันจะเอาจริงไหมการธรรมดาเ น, นี่ยเขาเอาบาทมาวางไว้ลูกศิษย์ก็จะต้องมาจับบาทเนี่ยเอาไปเพื่อที่จะช่วยอาจารย์ถื อ, เ, อ, เ, อเขาก็ลองเอาบาทมาวางไว้ อ, องค์ลูกศิษย์มาถึงก็ลองดูว่าอาจารย์เขาไม่ชอบเราแล้ว เ, เขาจะให้บาทเราไหมแต่ก่อนวางไว้ตรงนี้ ที่นี่แกก็มาวางไว้ใกล้ๆตัวแกซะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเฉลียวใจลูกศิษย์นี่ชักไม่ซื่อแล้วือลูกศิษย์มาถึงเนี่ยทุกวันอาจารย์มาเอาบาดมาวางตรงนี้นี่วันนี้อาบาทมาวางนี่แน่นนอนแล้วอาจารย์นี่ไม่ชอบเราเมื่อไม่ชอบผมก็ไม่รับเพราว่างั้นลูกศิษย์เขาก็เลยเดินหนีไปเลยเออเอนไปก็ไปเฮ้ยฉันก็ไม่อยากจะมองดูหน้าในที่สุด ทั้งสององก็ออกจากวัดไปน่ะององที่เทศเก่งก็สบายไปสิที่นี่เป็นสมภานแล้ว <c oughs> อยู่มาตั้งเป็นสิบปีนะไม่ใช่ว่าน้อยเมื่อไหร่สององเขาจากกันไปสิปีเดินไปท่านไหนไม่รู้ไปเจอกันเข้าลูกศิษย์ก้จจา์โอ้ยพวเขาหากอดกัน เอ้นี่มันอะไรกันอนะเราถึงมาเดินมาอยู่ที่ตรงนี้ก็อาจารย์ไม่ชอบผมเนี่ยเอ้ยเราพูดมาหลายแล้วเราไม่ได้พูดอ่อย่างนั้นอะโอยอทาอย่างนั้นไอ้อีองคเนี่ยมันมายุแ yeah. ย่อยญ่อย่างนั้นเลย <c oughs> เรากลับกันดีกว่าอ่างเง้ยสององก็กลับทันี้ยอมก็ว่าโอ้โหสององนี่อยู่ก็เรามาทั้งยี่สิบปี หมายไปตั้งสิบปีเขาก็นึกถึงบอกว่าทําไมอ่ะท่านทั้งได้ไหนีไปอ่ะ okay. เขาก็บอกว่า mm. องค์เนี้ยมันยุ่ยแย่องนี้ยุ่ยแย่มันทังนน้งได้เราก็เลยเกิดสงสัยขึ้นขึ้นอย่างเนี้ย <c oughs> พอรู้อย่างนั้นแล้วโอ้องนี้มันก็ใช้ไม่ได้สิมันจะเทศแต่สอนแต่คนอื่นเนี่ยตัวเองไม่ปฏิบัติ <c oughs> เราเอาอย่างงี้ดีกว่า ทำยังไงอ่ะก้อนดินคนเราก้อนมันโยมตั้งหลายร้อยคนมากคนนี้อีกอ่คนเราก้อนเราก้อนจะไปหรือไม่ไปเพว่านั้นวันนั้นขึ้นธรรมาตพอดีบอกว่าจะไปหรือไม่ไปจะไปไหนอ่ะแกลังจะเทศไปหรือไม่ไปพูดว่างั้นก็นแล้วกันไอ้คนหนึ่งก็ความแฟ้เข้าไปแต่ไปถูกวีดหูไปหน่อยนึง อีกคนหนึ่งอ่ะไปได้ไหมไปความแย้ขึ้นไมไปถูกผัวกระโดดลงธรรมารวิ่งจีวอนตกอยู่ข้างจีวอนตกอยู่ข้างธาารรมะเพราะว่าของไม่ทันอ่าเพจะเอาจีวอนก่อนไม่ต้องเอาไปเลยเพราะว่างั้นเลยไปแต่ตัวในที่สุดองนั้นก็เลยตายไปเกิดเป็นเปรต <c oughs> เพราะว่างั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกคือว่า วันนี้ก็ต้องการแก้ความสงสัยจุดประสงค์ที้ลงไปว่าวาสีคือความสาคัญเราจะยังไม่พบและยังจับทางไม่ถูกหรือเห็นแก่ตัวเราเองก็ต้องแน่ใจไม่ได้ถ้าจะมาบังคับให้เชื่อก็เชื่อแต่ภายนอกส่วนภายในนั้นยังสงสัยอยู่นั่นเองถ้าหากว่าไม่ประสบกับตัวของเรา เราคิดไหมว่าในเวลาที่ผ่านมาแห่งชีวิตเราได้พบกับสิ่งที่เราไม่เคยพบจะเกิดความตื่นเต้นอย่างไรบ้างเพราะสิ่งที่เราไม่เคยพบนั้นมันอัศจรรย์เหลือหลายทั้งที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเราได้มาพบกับสมาธิจนเกิดวสีและจะแก้สงสัยในจุดนี้ได้จริง เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่จิตมันสงบลงไปแล้วเนี่ยมันหมดความสงสัยแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ด้วยอันนี้คือวะสีวสีที่เกิดขึ้นจากความชำนาญของการทำสมาธิเพราะว่าการทำสมาธินี่มันจะต้องก้าวไปก้าวไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะหยุดหยุดที่เดียว ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าการเดินแบบนี้อาจารย์สอนแบบนี้แนะนำแบบนี้เ อ, อดำเนินการแบบนี้ไม่ถูกกับจริตนิสัยไม่ถูกกับความเห็นของเราไม่เข้าใจอย่างนี้คื อ, อ, อทำต่อไปไม่ได้ก็คือว่าความสงสัยได้ปิดหนทางไปแล้วแต่เมื่อเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใส น้อมตนมาปฏบิบัติบังเกิดขึ้นซึ่งวสีในที่สุดก็เกิดความเย็นเกิด ค, ความสบายน่าอัศจรรย์เมื่อเป็นเช่นนั้นในจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็เกิดความเรื่มสายสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคของสมาธิไปได้ในการที่นำข้อนี้มาเป็นบทเรียนของนักศึกษานั้น คือต้องการที่จะให้นักศึกษามีความเข้าใจในข้อนี้ว่าเป็นสิ่งที่ต่อต้านสมาธิชนิดหนึ่งที่เราจะต้องนำมาไปแนะนำสั่งสอนบุคคลผู้หื่นด้วยถ้าเรามีคูบายวิธีอะไรที่จะแนะนำอันนี้ก็ต้องสุดแล้วแต่บุคคลผู้ใดจะหาหนทางอธิบายให้มันแจ้งขาวต่อไปได้ <c oughs> วันนี้ก็หมดจะต่อหรือไม่ต่อ <c oughs> ต่อห้าต่อจากนั้นเมื่อไปพบว่าเวลานี้มันก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วถ้าเราขึ้นเดินตั้งแต่โคราชถึงเมืองสกลนครเนี่ยไม่น่าจะทันเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีขึ้นรถไฟ อ, อาจารย์เ็าบอกอย่างนั้น หาวิธีขึ้นรถไฟก็สบายเราสิทีเนี้ย <c oughs> ทีนี้ไม่ต้องสะพายบาดสองลูกแล้วก็จะต้องขึ้นรถไฟทีนี้รถไฟรถโดยสารก็ไม่มี <c oughs> ก็ได้ต้องอาศัยรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันจะมีไอ้รถบรรทุกนี่เป็นรถไฟสมัยนั้นนะ้ำมันมันไม่มีแล้วก็ต้องตัดเอาฟืนเนี่ยเอใส่ หัวรถจับ ก, ก็ให้ยอมเข้าไปคอยว่าเมื่อไรรถญี่ปุ่นมันจะไปเราขอไปด้วยพอขอรอเขาก็คนขับรถไฟก็ไปเจราจาในที่สุดเราก็ได้ขึ้นขึ้นที่นี้ก็มันก็ไม่มีเก้าอี้นั่งมันก็เป็นไอ้รถไอ้ตู้รถตู้บรรทุกสินค้าพอไปวิ่งไปวิ่งไปเนี่ย เออทางรถไฟมันถูกระเบิดพอถูกระเบิดแล้วมันก็มาหาทางแก้ไขพอวิ่งไปได้พอไปถึงสะพานเนี่ยมันจ ะ, ะยกแกโกเจเกกทีนี้เราก็นั่งไอตู้ ก, กา๊าดเนี่ยมันจะอยู่ท้ายสุดเลยก็แกวงปลายแกวงไม้อย่างเงี้ยลองคิดดูว่าเดี๋ยวนี้นะถ้าขึ้นรถไฟ จากโคราชไปจังหวัดอุดรเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงหนกะชั่วโมงก็ไปถึงแล้วสี่ห้าหกชั่วโมงไปถึงเราขึ้นรถไฟจากโคราชไปอุดรเนี่ยขึ้นไปตั้งแต่ตีสี่รถไฟออกตีสี่ญี่ปุ่นขึ้นรถไฟออกตีสี่กว่าจะไปถึงอุดร น, นั่นสี่ทุ่ม ทำแล้วพอทำแล้วก็มีวัดอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าวัดบ้านจิกวัดบ้านจิกนั่น เ, เป็นวัดของอาจารย์อะไรไม่รู้ลืมไปชื่อไปแล้วแล้วก็สองลูกศิษย์ก็อาจารย์ก็ไปไปก็เหมือนกับวัดลางเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นตอนสงครามตื่นเช้าขึ้นมาก็มี ยมมาถวายอาหารบิณฑบาตเจ้าของวัดเขารู้ว่าอาจารย์หลวงพ่อของหลวงปู่คงมามาเขาก็ได้ยินชืีอเสียงมาเก่าไม่ได้ยินชืีอเสียงมาเก่าเขาก็มาเพื่อที่จะมาสนทนาปราใส <c oughs> มาสนทนาปราัสวันหนึ่งก็ยังไม่คุ้นกันสองวันก็ยังไม่คุ้นกันพอวันที่สามก็เกิดคุ้นกันขึ้น พอคุ้นกันขึ้นหลวงพ่อก็นั่งอยู่ข้างๆก็อพระอาจารย์อคุณนายนั่งเขาชื่อว่าคุณนายทิพตเขาก็มาถึงเขาบอกว่าเขาไล่พระจนมาหลายองค์แล้วแบบ น, นอใครจะมาไล่อาจารย์หลวงพ่อให้จนวันนี้ เ, เราก็เอมก็ดีเหมือนกันฮจะรู้ว่าอาจารย์เราเนี่แน่แค่ไหน มาถึงเขาก็ถามอาจารย์ครับเขาว่างนั้นเนาะว่าไงล่ะวิธีเข้าฌานทําไงแล้วยอมจะถามไปทําไมอ่ะอาจารย์ก็ว่าองั้นถ้าถามเสก็ท่านปฏิบัติมานานท่านไม่รู้จักวิธีเข้าฌานท่านก็แย่เสกอ๋อทําไมอาตมาจะไม่รู้วิธีเข้าฌานง่ายนิดเดียวอ่าท่านบอกท่านมาเอ่ คุณนายต้องไปเอาข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเอามาทําไมอ่ะอ้าวก็เจ้าข้าช้าเมื่อตรนกินข้าวเหนียวมะม่วงสียเคท่านรู้แล้วว่าเวลาข้าวฌานต้องเข้าสมาที่เข้าปฐมฌานต้องมีเท่านั้นองค์หทุติยฌานมีองค์สามอะไรท่านไม่อยากจะพูด เพราะว่าคุณนายแกก็รู้แล้วแต่แกก็มาถามเฉยๆเนี่ยแล้วข้าวชันของท่นานอะข้าวเหนียวมะม่วงเข้าวชันได้จริงไหมอา้าวทำไมาจริงก็ลองโดดสิพวกน เ, เนี้ยตื่นเช้าขึ้นมาหับข้าวเหนียวข้าวมะม่วงมาเป็นโอ้เอ้าจริงเหรอเนี่ยอาจาเอาจริงสินีิสาหาว่าใครนะ กินข้าวเหนียวมะม่วงคนละจารย์ใหญ่ๆนี่นะถ้าไม่รับกลางวันก็ให้รู้ไปนายทิทพเขาก็เลยว่าแหมตั้งแต่ถามใครมาไม่มีใครบอกวิธีเข้าชั้นง่ายๆแบบนี้เลยมีย้องเดียวเท่านี้แหละทวดเราก็คงจะได้ ฟังวิธีการของอาจารย์ก็คงอยู่ที่นั่งประมาณสักสิบกว่าวันแล้วเราก็ค่อยว่ากันใหม่อาทิตย์หน้าให้เราไปสอนไปหยุดวันที่เท่าไหร่ไม่ใช่ยี่บเจ็ดเหรอวันที่ยี่บเจ็ดวันอะไรอ๋อวันที่ย7ิบเจ็ดเป็นวันอาทิตย์ก็เลยไปหยุดวันอ๋อจบย5ิบห้าแล้วก็ ยีิบหกกิจเจ็ดก็สอนชั้นสูงเรียกว่าคิใช้หลวงพ่อแบบไม่ปาณีประัยนะเลขาเนี่ยแย่เริ่มตั้งแต่ไหนเนี่ยอ๋อเริ่มนี่ใช่ได้ถูกต้องการถามตอบก็ถามไปตามปกติใครอยากถามอะไรก็ให้โอกาสแก่ทุกๆคนตามอัธยาศัย ลราถือว่าเป็นกันแองกันแล้วกันอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรนะอะถามก็ถามได้ตามอัธยาศัยพอเวลาหลวงพ่อตอบก็จะไมโกรธพอเวลาอพอเวลานักศึกษาถามหลวงพ่อก็ไม่โกรธเหมือนกันอ่เพราะฉะนั้น <c oughs> อ่า ต่อไปขอเชิญคุณสศิธรพิบูรลชัยสิษิ์กราบนบมรดกการพระอาจารย์ค่ะเ อ, อ่อสิจจะเกรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของ<ม>การแผ่เมตตากับการอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ทราบว่าใช้ยังไงแล้วก็ใช้หลังจากนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์มีวิธีใช้ยังไงจะเรียนให้หลวงพ่อแนะนํามาค่ะคือเราใช้หลังจากเราสวดมนต์แล้วเพราะว่าสวดมนต์นั่นอะเป็น บุญกุศลชนิดหนึ่งเรียกว่าภาวนาไมา่บุญสำเร็จโดยาการภาวนาและทชนนี้สําหรับ เ, เวลาเรานั่งสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลชนิดหนึ่งเมื่อเสร็จจากนั่งสมาธิเรียกว่าเราได้บุญแล้วเราก็แผ่บุญกุศลหรือเวลาที่เข า, เาทําบุญกุศลให้แก่ผู้ตายที่ไปสวดบางสกุล พอเวลาสวดบางสกุลเสร็จสุดท้ายพระให้พรก็แผ่ส่วนกุศลตอนนั้นหรือเฮเวลาที่เราทำสังกัดทานแล้เวลาเราทำบุญอะไรก็ตามพอเราทำเสร็จแล้วเราก็แผ่ส่วนกุศลการแผ่ส่วนกุศล น, นั้นไม่เฉพาะว่าจะต้องกรวดน้ำมีน้ำกรวดอย่างเดียวเราใช้ใจเขาเรานึกต้องการให้แก่ใครเราก็นึกให้แก่บุคคลบุญนั้น ก็ถือว่าสําเร็จสงความตั้งใจแล้วอุทิศส่วนกุศลล้วคะก็อันเดียวกันแผ่กุศลกุศลกุศนกุศลก็ข้อความอันเดียวกันแผ่ทั้งผู้ที่อยู่และผู้ที่ตายแล้วก็ได้ใช่ไหมคะเอ่าโดยมากแผ่ผู้ตายอะุทิศยังอยู่ไม่ค่อยแผ่เท่าไหร่นั่นสิครนั่นหมายถึงว่าคนตายคืออุทิศส่วนกุศลให้คนเป็นอุทิศส่วนกุศลให้คนตายอ่า เรายังมีชีวิตอยู่เดียวที่สุดกศุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ผู้ที่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะให้บิดามารดาหรือว่าผู้ที่มีพระคุณต่อเราท่านกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจะให้ท่านมีความเจริญในหน้าที่การงานอะไรต่างๆนี่เราก็ทำบุญกศุศลให้กับ ท่านหมายความว่าอันนี้ไม่ใช่อุทิตอันนี้แปลว่าแพรส่วนตัวลนถ้าหากว่าตายแล้วก็เรียกว่าอุทิตถ้าหากว่าถ้ายังมีชีวิตนี่เขาเรียกว่าแพรส่วนตัวต น, นให้ <c oughs> ก, ก็ได้เหมือนกันค่ะอางนี้นะคะเราทำให้แพ่แพ่ก่อนแล้วค่อยอุทิตให้ใช่ไหมคะตามลำดับใช่ไหมคะไม่ใช่คือว่าอุทิตก็คืออุทิตหมายความว่าเราให้คนตายไม่ใช่ แล้วให้คนตายแล้วก็ออกชื่อไปอย่างนี้เขาเรียกอุทิศิกราบน้มัสมั่นค่ะต่อไปขอเชิญคุณศักดาดูมาทีกราบน้มัสรั่าอาจารย์าาที่เคารพยิ่งสิทธมีคำถามอยากจะถามว่าถ้าสิทธฝึกปฏิบัติอยู่กับบ้านต้องกาวบทลาอาจารย์ด้วยหรือไม่ครับ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> อยู่ที่บ้านทั้ว่าเพราะว่ามีข้อความที่บอกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอลากลับแล้วติดเข้าใจว่าจะลาไปไหนลากลับบ้านไงขันทธาเนม่ยังพันเตอาปุ ช, ชามะพระหูกิจจาม่ยังพระหกรลนิยาข้าแต่ท่าอาจารย์ เวลานี้ก็สมควรแก่การเวลาแล้วลูกติดขอลากลับบ้านเพราะมีธุระเยอะนะ <c oughs> นั้นอนนี้อันนี้ถ้าไปอยู่ที่บ้านไม่รู้ลาพระอาจารย์พระอาจารย์รู้ <c oughs> ออย่างเงี้ก็แล้ว ก, กันอยู่ที่บ้านอย่าไปลาพระอาจารย์เลย <c oughs> อต่อไปขอเชิญคุณสันสเนจริยะสเถียน กราบน้ำส ก, การค่าอาจารย์ค่ะจิดนั่งสมาธิกาหนดจิตที่หน้าผาจิตจะมีกระแสแล้วก็รวมจะมีแสงลาแสงนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะรวมลงสมาธออิจิตจิตก็จะสงบหลังจากสงบแล้วหลังจากสงบเราเห็นอะไร เมื่อวันเมื่อวานซืนตอนสิบเอ็ดโมงนะคะลึกเข้าไปนั่งแล้วลึกเข้าไปก็จะมีแสงลำแสงนะคะสว่างหลังจากสว่างแล้วก็จะมีรู้รู้สึกว่าจะเป็นพลังที่หน้าผากนะฮะทั้งทั้งศีรษะนะคะจนทนไม่ได้แล้วก็ถอนออกมาก็ไม่ได้เหมือนกันจนถึงตีหนึ่งะคะหลังจากนั้นตีสี่เอ่อท็อปพอ ก็พยายามจนถอนอย่างตีหนึ่งแล้วก็หลับตีสีก็ขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิพลังนั้นก็ยังอยู่อ่ะฮะก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอาลักษณะเช่นนั้นเป็นอย่างไรอยู่ท่านไหนแล้วจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรเอคืออันนี้จะมากไปหน่อยแนละ้ว <laughs> เ, เพราะว่าอาพอเวลา นั่งจำแต่11บโมงค่ะเจ้าค่ะ1ิโมงเช้าจำไหมกลางคืนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แตเช้าอ่ะสิบเโมงเช้าเหรอหาทุ่มอาหาห้าทุ่มกลงคืนค่ะหลวงพ่อว่าต้องเรียกว่า11บโมงเช้าตอนฉันเป็นไปถึงนู่นน่ากลัว11บเอโมงเช้า ห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ไปไปถึงตีหนึงตีหนึ่งค่ะห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดออสองชัง่วโมงแล้วเป็นไงต่อออคือจะมี้ายกับพลังแล้วก็จะต้านไม่อยู่่ะแต่ว่าจะถอนก็ถอนลำบากใช้เวลาอยู่นานมากอออันนี้เข้าใจแล้วค่อว่าเมื่อ การเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงถึงว่าจิตนั้นได้เข้าสู่ฌานชนิดหนึ่งแต่ว่ า, าสติยังอ่อนไปสติอ่อนไปเนี่ยคือการไม่สมดุลระหว่างสมาธิกับฌานเพราะฉะนั้นต่อไปนั้นให้ทำสมาธิให้มีให้ ไอ้ที่ว่ามีพลังมากนะแที่จริงไม่ใช่มันเป็นความกดดันของจิตชนิดหนึ่งด้วยเหตุอย่างนี้จึงจําเป็นที่จะต้องทําสมาธิสมาธิคือสมาธิแห่งความรู้ตัวพอเราบริกรรมบุตรโธไปแล้วละจากคําบริกรรมเมื่อละจากคําบริกรรมลราให้ตั้งสติรู้อยู่พอถึงเวลานั้นแล้วก็ ให้เลิกสมาธิเสียแล้วพักนอนต่อไปต่อมาก็ทำอย่างนั้นอีกพอเวลาจิตมันจะเข้าไปสู่ความไม่รู้สึกตัวหมายความมันจะเข้าผวางังเราก็ไม่ให้เข้าละเราก็ทำสมาธิให้มีความรู้ตัวนั่คือตั้งความรู้แลว้วก็สำคัญที่สุดนั้นคือต้องถามว่าใครคือผู้รู้ก่อนแต่ที่เราจะนั่ง แนไม่ใช่ก่อนตั้งแต่เวลาที่เราเริ่มสมาธิแล้วเมื่อถามแล้วเราก็ทิ้งคำถามนั้นแล้วทีนี้เราก็ทาความรู้เนี่ยไปอีกเธอรวมความว่าอย่าให้จิตเข้าพวางในระยะหนึ่งแต่พอเวลาที่มันได้ที่เข้ามาแล้วต่อไปนี่จะเข้าพวางที่จะเข้าไปอีกนั่นเข้าไปได้ใีนี้ถ้าหากว่าจิตมันยังไม่ทันถึ ง, ถง ขั้นที่จะไปเข้าพวางแบบนี้เราจิตของเรไปเข้าพวางตั้งก่อนติดตามไม่ทันมันเกิดการกดดันอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นผลดีนักเพราะฉะนั้นให้ทำจิตเนี่ยให้อยู่ในระดับที่มีความรู้อยู่ให้นานที่สุดวิธีการก็คืออย่างนั้นอันนี้สีรถขังเร็วแท้อย่าตีสิ อต่อไปขอเชิญคุณสิริกกรงามสิริขจรคุณกรรมนักการพระอาจารย์หลวงพ่อครับผมมีความสงสัยเกี่ยวกับสักการะทิฏฐินะครับจะพิจารณาสักการทิฏฐิได้อย่างไรครับอะไรนะสักการะทิฏฐิครับสักการะทิฏฐิรครับผมแล้วจะพิจารณาสักกายะทิฏฐิได้อย่างไรครับสักการะทิฏฐิก็พูดอย่างนี้ก็พูดภาษาแขกซะแล้ว สัจยะที่ถือแปล ว, ว่าความถือตัวนะการถือตัวนี้หมายความว่าจะพิจารณาอย่างไรถึงจะละมันได้หรือว่าจะพิจารณาดูตัวมันอะไรอย่างบังมไม่ชัดคือละมันได้นะฮะต่ต้องการละมันนี่จะต้องทำจิตไปสู่วิปัสสนา <c oughs> คือพิจารณาให้ใหจิตเนี่ยมีกำลังให้เยอะหมายความว่าฐานสมาธิมีกาลังให้เยอะ ก็มีกําลังให้เยอะแล้วก็พิจารณาถึงว่าอาร่างกายอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ใช่ว่านึกเอาเฉยๆต้องไปถึงเออเขาเรียกว่าตาทิพย์หรือเรียกว่ากายทิพย์แล้วก็จิต ก, ก็จะต้องไปถึงจุดพลังอํานาจมีพลังเต็มที่แล้วพิจารณาให้เห็นจริงลงไป อันนี้ก็คงจะอธิบายสูงไปหน่อยแล้วเกื่ยการละสั ก, กยะทิฏฐินั่นน่ะจาเป็นจะต้องมีพลังจิตให้สูงเพราะว่าเราจะไปนึกละเอาเองยอมไม่ได้ยังวิปัสสนึกได้ไหมฮะตอบตอนนียก่อนเพราะว่าข้างหน้าเราจะอธิบายฟังต่อไปใหม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง <c oughs> ต่อไปก็เชิญคุณสิรินิพพา วันนวารามกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะเ อ, อ่อเผลอยากกลับเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องอธิษมานกายนะคะคือได้เคยได้ฟังเทปของหลวงพ่อมหาโชโดกเกี่ยวกับเรื่องว่ามีสัมมเนนองคหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ที่วัดในกรุงเทพตอนเช้ามืดนะคะบังเอิญคิดถึงพี่สาวก็เลยไปพบว่าตัวเองไปโผล่ที่บ้านที่อยุธยาพี่สาวก็เชิญนิมนเข้าบ้านแล้วก็ถวายอาหารเช้า แต่พอเวลาจะกลับบ้านเนี่ยสั ม, มนเนต้องนั่งรถไฟกลับบ้านทีนี้ก็อยากกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าสัมมนเนนเนี่ยเป็นอธิสมานกายที่ว่าไปทั้งทั้งตัวใช่หรือเปล่าแล้วก็อธิสมานกายเนี่ยมีกี่ประเภทคะอธิสมานกายมีประเภทเดียวแล้วก็ทิ่ไปอย่างนั้นเออก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อาจจะเป็นไปได้จะเล่าให้ฟังสักเรื่องว่า มีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวอายุประมาณสิบขวบสิบถึงสิบเอ็ดขวบอะไรอย่างนี้อ <c oughs> บอกว่าแกอยู่บ้านน ะ, ะพ่อแม่จะไปไหว้พระเจดีย์ไปไหว้พระเจดีย์น่ก็ห่างจากบ้านประมาณแปดกิโลลูกสวาวก็บอกว่าไม่ได้เราฉันอยากจะตามไปแม่แมก็บอก อาแม่ไม่ได้ไปเดี๋ยวกูเพียนมึง อ, อลูกสาวก็เลยไม่กลา้าแม่ก็เลยไปก่อนขณะนั้นลูกสาวก็ไปยืนอยู่ที่หลุกคงหลุกคงบ้านมองดูยอดพระเจดีย์ด้วยความจิตประวัติยอดพระเจดีย์นั่นน่ะไอตัวมันลอยไปที่พระเจดีย์พอแม่ไปยังไม่ทันถึงไปถึงอ้าวมึงมาได้ยังไง อฉันก็ไม่รู้มือนกันฉันดูๆแล้วมก็อลอยมาแล้วขากลับเทายังไงอ่ะขากลับก็เลยเดินกลับ <c oughs> <c oughs> คงจะเข้าทำนองเดียวกันหรือไงอันนี้ก็สุดแล้วแต่คิตต่อไปก็คงเชิญคุณสิวกรเกรียงอัติบุตรอันนี้เพราะว่าสี่หคนนี่คงไม่มาสิริมาสิริรักษ์สิริวันการมหการหลวงพ่อฉันสิริรักษ์ค่ะ ลีลาศีสมรักค่ะลีลาศมานี่ยเอาทีท่ลีลาศ<ะ> ก, ก็ได้เอ่อน้าสกาหลวงพ่อเอ่อลูกเคยได้ยินพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่านิมิตที่เราเห็นนั้นเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงทีนี้ที่เกิดกับลูกเนี่ยมันมีนิมิตที่มีสองอย่างค่ะคือสงสัยที่สงสัยนี่อย่างเช่นที่นั่งที่เจดีย์เนี่ย เจอแสงสีเขียวนวลครอบหลงพ่ออยู่ลูกก็เลยอธิษฐานว่าขอดูขออนุญาตหลวงพ่อว่าขอดูหน่อยว่าหลวงพ่อนี่เป็นยังไงปรากฏว่าเจอหลวงพ่อเนี่ยเป็นร่างที่ใสดุจแก้วมองทะลุได้อันนี้มปนเรื่องสงสัยนะคะอ่าเรื่องที่สองก็คือนิมิตที่เกิดขึ้นจริงข้ามเมื่อวันหนึ่งลูกนั่งสมาธินะคะก็เห็นงูเห่า เลื้อยเข้ามาในห้องนอนเอา้าก็ตกใจว่ามันเป็นเรื่องร้ายก็เลยว่าเข้องแผ่เมตตาจิตนะคะว่าขอให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วกเ็เหมือนกับอะไรให้ให้มันหายนะคะนี่พอสักสายสักสี่โมงเช้านะคะก็อขณะที่นั่งอยู่กับเพื่อนบ้านประมาณห้าหกคนก็เห็นโงูเห่าเลื้อยเหมือนกับที่เราเห็นในนิมิต เข้าไปในห้องนอนเอ่อก็ตามเข้าไปทั้งหกเจ็ดคนก็ตามก็จะไปจับก็ไม่เจองูเหา่าครั้งที่สองเอ่อเห็นไฟไหม้บ้านในนิมิตก็ตกใจก็เลยกำหนดจิตว่าแผ่เมตตาสามครั้งให้เหมือนกับขันน้าสาดเข้าไปที่กองไฟกองไฟก็ดับลงพอวันต่อมาไฟก็ไหม้บ้านในขณะที่คนไม่อยู่ไม่เอ่อกระดานไหม้ไปประมาณ อ่าครึ่งเมตรแผ่นกระดานนั้นหายไปเลยหายไปประมาณครึ่งเมตรอันนี้เอนนก็เป็นที่อาจารย์กับผู้พบเห็นว่าในขณะที่ลมแรงหน้าแรงเนี่ยไฟมันน่าจะไหม้ทั้งหลังค่ะอันนี้เป็นมิตที่เกิดขึ้นจริงในลักษณะนี้เป็นการใช้อธิษฐานกายที่ว่าใช้อ่าลักษณะอะไรนะคะเป็นอำนาจหรือเปล่าแล้วเป็นอันตรายต่อลูกไหมค ะ, ะในเมตตาเน ่บางบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ในขณะเดียวสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็มีโทษอยู่ในตัวของมันเสร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเรารู้ว่าเมื่อนิมิตอันนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดตามมาตามนิมิตนั้นก็เรียกว่าเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นญาณชนิดหนึ่ง ทีนี้ในขณะเดียวกันนั้นในยานเหล่านี้มันมีบางครั้งที่มันสมมติขึ้นในจิตนะจิตมันสมมติตัวขึ้นคือไอ้ที่ว่าสมมติตัวขึ้นนั้นเป็นไอการฉายภาพต่างๆที่มันเก็บไว้ในใจของเราเนี่ยมันมีเยอะนั้นอาจจะแสดงภาพออกมาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอันนี้มันจริงละ่ะแต่พอไปเทหลังเนี่ยมันเกิดไม่จริงขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่เราก็ขอให้เข้าใจว่านิมิตต่างๆเหล่านี้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อ, อ, อาวุธของเราหรือว่าพรสวรรค์ของเราชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนความจริงแล้วนั้นเรื่องของสมาธิต้องการพลังจิตเราทาสมาธิเกิดพลังจิตให้เยอะส่วนนิมิตนั้นหรือว่าเป็นเรื่องรองก็แล้วกันขอบคุณค่ะ <c oughs>